คนที่มีศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาปัจจุบันมีหลายสายการปฏิบัติให้เลือกเรียนศึกษาปฏิบัติล้วนแล้วก็คิดว่าสายตนเองปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมวินยัยแต่ที่ปฏิบัติอยู่ทำตามอยู่เน่องนิดตามจริตนิสัยของตนถามว่าถ้ายังไม่เห็นธรรมรู้ธรรมตามอริยมรรคแล้วยังสามารถผิดพลาดลงมิจฉาทิฏฐิได้ใช่ไหมอ่าวงเล็บ ถ้ายังเป็นกัลยาณมิตรผู้ที่ทำดีและเชิญชวนผู้อื่นเสมอๆ ม, มีทางหลงอีกแน่ถ้าไม่มีผู้รู้ธรรมคอยอบรมผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับความเข้าใจให้เข้าใจว่าการประพฤติปฏิบัติที่เป็นธรรมให้ตรงต่ออริยมรรคมีองค์แปด เพราะพระพุทธเจ้าสอนอริยมีองค์แปดคือศีลสมาธิปัญญาส่วนเรื่องศีลก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับปฏิบัติต่อกายวาจาท่านก็บอกโดยตรงอยู่แล้วการไม่ฆ่าไม่รักไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดเท็จสอเสียดทำอยากสำรับเพื่อเจอืม อันนี้เป็นการเมื่อดื่มกินเครื่งดองของเมาอ น, นี่เป็นส่วนกายกับวาจานี่เป็นส่วนศีลสัมรวมกายวาจาถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ตามอันนี้เรียกว่าถูกต้องตามคําสอนของพระพุทธเจ้าตามอริยมรรคโดยสมมุติ คือรักษาควบคุมเอาสติเอาจิตของเราสติควบคุมจิตจิตควบคุมกายวาจาในส่วนศีลสมาธิสมาธิในองค์มากกว่าสมาธิที่มีความเพียรมีสติมีสั จ, จควบคุมใจคือความรู้ ผู้รู้นี่แหละจนมันไม่ฟุ้งซ่านลาคาญคือจะนึกจะคิดอะไรกน็นึกคิดเรื่องที่เป็นอัดเป็นธรรมเป็นความดีความชอบถ้าหาว่าสิ่งที่มันไม่ดีไม่เป็นธรรมมันจะฟุ้งซ่านลาคาญอันนี้เรียกว่าความตั้งมั่นของจิตตั้งมั่นรวมเขา้า เป็นตัวของตัวเองด้วยอารมณ์แห่งธรรมที่ท่านบอกไว้ก็มีถึงสี่สิบอย่างในอนุสติสิบอสุภะสิบที่กรรมฐานสี่สิบห้องอันนั้นเป็นเป็นอาการที่พูดให้เข้าใจง่ายๆก็เอามันมีความรู้ใน ลมหายใจเข้าหายใจออกมีความรู้ในความรู้คือรู้ในจิตกากับกับหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเป็นหลักจนมันเกิดความแน่วแน่อย่างลงสู่ความสงบความแน่วแน่อันแท้จริงคือสงบในจิตที่ไม่ไม่ใช่สงบในสัญญาในสัญญาอารมณ์สงบ ที่แท้จริงแล้ละพาเข้าสู่จิตเมื่อจิตมันสงบแล้วถึงแม้จะมีสัญญามีอารมณ์อยู่มันก็สงบของมันอยู่ภายในจิตของเราอันนี้แหละเป็นสมาธิเป็นสมาธิในองค์มรรคคือสมาธิเกิดจากการปฏิบัติการดำเนินการมีสัจจะมีความตั้งใจแน่แน่ เอส่วนปัญญานั่นคือปัญญามารู้อนิจจังทุกขังนาตารู้ในขันห้านี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่ามันไม่เที่ยงมันแปรปวนมันไม่ใช่ตัวใช่ตนคือมันจะเห็นประชุมรวมลงที่ใจของเราเองนั่นเลยว่ารู้เห็นด้วยตนเอง แต่ที่เราได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยอันนี้มันเป็นความรู้สัญญาที่ได้ยินได้ฟังมาแต่เมื่อมันรู้ประชุมลงที่ความรู้คือใจของเราเองเนี่ยมันจะขาดความสงสัยอความสงสัยความฟุ้งซ่านลาคาญอะไรมันจะขาดไปมันจะเป็นความสงบโดยธรรมในเรื่องของปัญญา ใให้มันให้มันตรงตามศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเรียกว่าเป็นความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกตามทมตามวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศ า, ศาสดานี่ให้เข้าใจตามนี้จบแล้วปะ่ะอืม